ปัจจญานุโรมปัจญียเหตุทุกข์กันในหนึ่งร้อาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสติยะปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนาปูเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนอาเสวะนปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสมวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระ นสัมปยุตตะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสมวาระโนนัธีปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีหวาระติกไนนอธิปฏิปัจจัยกับเพรตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระ นภุเรชาตปัจจ <trans> ัยกับเพตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับเพตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับเพตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามานปัจจัยมีสาวาระจตุกนานึย133นปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามานปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามานปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสวาระ นากรรมะปัจจ응ัยนวิปากปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยกะเพรตุปัจัยอารามานปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระละเอกาทัสกนัยหนึนปัจชาชาตปัจจัยกะเพรตุปัจจัยอารามานปัจจใจอธิปติปัจจัยอนันตรปัจใจสมานันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยะปัจจัย อุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณนะอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระนะกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระทวาทัศนัยหนึ่งเล็บสาเสว น, 135. นะหนึ่งร้นปัจฉาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัย อารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยและอาเสวน ป, ป, ปัจจัยมีสามวาระนกกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวีปากปัจจัยกับละมีสามวาระละเทวีศกไนหนึยน่ยสามนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัย อาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชานปัจจัยมรรคปัจจัยสำปรยุติปัจจัยวิปยุติปัจจัยอธิปัจจัยณติปัจจัยวิกตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระเตระศกัยในมืงเล็บสวิปากะ หนึชชป่ปัจชาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกัมมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งบาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งบาระละเทวีสกนัยหนึ่งร้อปัจชาชาตปัจจัยกับเพทุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกับ กรมมาปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตาปัจจัยอัติปัจจัยนาติปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเหตุมูลกนัยจบอารามนาทุกกนัย หนึ day, about, gene, <the> ่เก้หตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสาวาระณอาเสวณปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสาวาระนกรรมปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสาวาระ นวิปากับปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอารามานปัจจัยมีสามวาระติกไนหนึ่งร้อยสี่นอธิปฏิปัจจัยกับอารามานปัจจัยและเหตุปปัจจัยมีสามวาระ นภุเรชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวะนปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัย มีสามวาระนวิปากับปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุติปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณมูลกั น, นัยจบในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลอธิปฏิทุกกนในหนึ่งรยสี่เอด นัอรามณปัจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัอนันตรปปจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัสมาันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัอัญยมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัอุปนิสตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละจตุกนัยหนึนปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัย นอาเสวนปัจจัยนักรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยเหตุุปัจจัยและอารามมานปัจจัยมีสามวาระอนันตระและสมานันตระทุกกะในในมือเล็บพึงขยายอนันตระปัจจัยและสมานันตระปัจจัยให้พิสดารเหมือนกับอารามมาปัจจัยสหชาตทุกขะในหนึ่งร้สา นัเหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสองวาระนัอารามณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนัอธิปฏิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนัสมนันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระ นัอุปนิทยปัจัยกับสหชาตปัจัยมีหวาระนบปุเรชาตปัจัยกับสหชาตปัจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจัยกับสหชาตปัจัยมีเก้าวาระนัอาเสวนปัจัยกับสหชาตปัจัยมี9้าวาระนักรรมปัจัยกับสหชาตปัจัยมีสมวาระนัวิปากปัจัยกับสหชาตปัจัยมีเก้าวาระ นัอหารปัจจ in <mut> uh ัยก yep ับสหชาตปัจจัยมีหน like like ึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสามปยุตต์ปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหวาระนัวิปยุตต์ปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสวาระ โนนัตถิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระติกนัย144สนอารามณปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระนาทิปฏิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9้าวาระ นาอนันตรับปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุทุปัจจัยมีห้าวาระนาสมานันตรปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุทุปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตปัจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจัยมีก้าวาระนอาเสวนปัจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจัยมีก้าวาระนกรรมปัจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระนวิปากปัจัยกับสหชาตปัจัยและเหตุปัจัจมีห้าวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระโนนาทีปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกไนัย14่ส้านอธิปฏิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยเหตุุปัจจัยและอารามานปัจจัยมีสามวาระ นภุเรชาตปัจจัยนปัจชาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยจนวิปากปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยกับนัอธิปฏิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระในมงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่เมเหตุตุปจิใจเป็นมูลอัญญามัญย ทุกกนใหนึ่งร้ยสี่นเหตุปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระณอารามณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมานันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิเตยปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นาอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขะปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ โนนัตถิปัจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตัปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระติกรณ์หนึ่งร้ยสี่ณอารามณปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสาวาระณอนันตรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาสมานันตระปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัย กับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับอัญญมัญญาและเหตุปัจจัยมีสามวาระนสามปยุตตปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับอัญญมัญญาปัจจัยและเหตุกปัจจัยมีสามวาระ โนนติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนันึ่งรอยสีิปณัติปฏิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระณปุเรชาตปัจจัยณปัจจาชาตปัจจัย น่อาจเสวนปัจจัยนะกักกรร ม, มปัจจัยนะัวิปากปัจจัยนะัวิปยุตกรปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามนะนปัจจัยมีอย่างละสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนิตยยะและอุปนิทยยะทุกไนหย149 ในเหตุปัจจ um, ัยกับนิสัยปัจจัยมีสองวาระนารามณปัจจัยกับนิสัยปัจจัยมีห้าวาระในมูเรพวาระที่มีนิสัยปัจจัยเป็นมูลเหมือนกับวาระที่มีธัชชาตปัจจัยเป็นมูลและวาระที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นมูลเหมือนกับวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลปุเรชาตทุกกนนายหนึ่งร้อยห้าสิบ นเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ นาวิปากับปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสาวาระนชาณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกนัย151ณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับภูเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับภูเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับภุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากัดปัจจัยกับภุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ ในมงแลพึงขยายพิจาาเหมือนวาระที่มีเหตุุปปัจจัยเป็นมูลอาเสวณทุกขไนหนึ่งรยห้านเหตุตปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระณปูเรชาตปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสาวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนมะขปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระติกไนัย153า นอธิปฏิป <ître Ein> ัจจัยก <sist> ับอาเสวนปัจ <Kel> จัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนาปชอาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในมุงเล็บพื้ขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลกรมมรุกกไนนึ่งร้อยหนเหตุปัจจัยกับกรร ม, มปัจจัยมีสองวาระ นัอรามณปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีห้าวาระนัอธิปัติปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีเ้าวาระนัอนันตรปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีห้าวาระนัสมานันตรปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีห้าวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีห้าวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับกรมมะปัจจัยมีห้าวาระ นภูเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมี9้าวาระณอาเสวะนปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับกรรมวิปปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัชานะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสมวาระโนนัธถิปัจจัยกับกรรมวิปปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีห้าวาระติกไน นอารามณปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนันนันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนัสมันันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนัญญมัญญาปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิเตียปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนัปปัชชาตปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระจตุกไนัยห้าสณอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัย เหตุตปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนภุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิดารเหมือนวาระที่มีเหตุุปปัจจัยเป็นมูล วิปากทุกกันในหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนเหตุปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารามานปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนอนันตระปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระน่สมนันตระปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมมะขปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสสามปยุตตะปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปปยุตตะปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตจิปัจจัยกับวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขะตปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระติกะไนหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนัอารมมณปัจจัย นาอธิปติปัจใจนาอนันตระปัจจัยนาสมนันตระปัจจัยนอัญญมัญญปัจใจนาอุปนิสัยปัจใจนาปุเรชาตปัจใจนาปัจฉาชาตปัจใจนาอาเสวนปัจใจนาสามปยุตตาปัจใจนาวิปยุตตาปัจจัยโนนาทิปัจจัยและโนวิขตปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระ เจตุกไนยห้าณอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปัญจกไนหนึ่งร้อยหกส นัปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุจจะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละเตวีสกนนึ่ยหกสิบเอ็ด นัปปัชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารามานปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชานปัจจัยมรคปัจจัย สามประยุติตปัจจัยวิประยุติตปัจจัยอธิปัจจัยนัติปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิขตปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารทุกไนหยหกสิบสอนเหตุตุปัจจัยกับอาหารรปัจจัยมีสองวาระ ณอารามณปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระ นภูเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเก้าวาระนอินทรียปัจจัย กับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี5วาระ นวิกตปัจจ ah ัยกับอาหารปัจจัยมีห้าวาระติกนหนึ่ยหกสิณอารมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุุปปัจจัยมีห้าวาระ นสัมมันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีก้าวาระนอาอาศวะนับปัจใจกับอาหารปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีก้าวาระ นสัมปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุถูปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุถูปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุถูปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุถูปัจจัยมีหวาระจตุกไนัย164 อธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ นาวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุในเมืองเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุตุปัจจัยเป็นมูลอินทรียปัจจัยหนึ่งสห้านาเหตุตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสองวาระ นอารามณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหาวาระนัอธ <popular injuries> ิปติปัจจัย <viral> กับ <Pre> อินทรียปัจจัยมีเก้าวาระนันทาระปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหาวาระนัสมันทาระปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหาวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหาวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหาวาระ นภุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวะนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ <บ>า <PTSD> นาชาณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนามะขปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสาวาระโนนัตถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหวาระติกนัย ห6นน Then, ึ่อณอารมณปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระณสมานัตระปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิทยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ นากรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากับปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสามปยุติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนถิปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระ โนวิกตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุก น, นัยหกสณอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามานปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนากรร ม, มปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระในมูลเร็พึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลชาณทุกขไนหนึ่งร้อย นัเหตุปัจจัยกับชานปัจจัยมีสองวาระนัอารมณปัจจัยกับชานปัจจัยมีห้าวาระนัอธิปติปัจจัยมีกับชานปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยมีห้าวาระนัมสมนันตระปัจจัยกับชานปัจจัยมีห้าวาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับชานปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิจญาปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหวาระนปุเรชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับชาณปัจจัยมี9้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับชาณปัจจัยมี9้าวาระนกรรมมปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับชาณปัจจัยมีเก้าวาระ นามะขปัจจ uh ัยกับชานปัจจัยม um ีหนึ <to> ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับชานปัจจัยมีหวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับชานปัจจัยมีสวาระโนนัติปัจจัยกับชานปัจจัยมี5วาระโนวิขตปัจจัยกับชานปัจจัยมีหวาระติกนัย169 นอารามณปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนันตรปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนสมานตรัปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนัญญมัญญปัจจัยกับชาณปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสติปัจจัยกับชานาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับชานาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับชานาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับชานาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนกรรมมปัจจัยกับชานาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี๙วาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี๕วาระนวิปยุตตะปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี๓วาระโนนัตถิปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี๕วาระโนวิกตปัจจัยกับชานะปัจจัยและเหตุปัจจัยมี๕วาระจตุกไน หนึเจณอธิปติปัจจ ca ัยกับชานปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวนะนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ นาวิปยุตจะปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลมัคคทุกกไนหนึ่งรเจ็บอนเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณนะอารามานปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีห้าวาระนาะอธิปฏิปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเก้าวาระ นาอนันตรปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีหวาระนาสมานันตรปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเก้าวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับมรคปัจจัยมี9้าวาระนากรรมมปัจจัยกับมรคปัจจัยมีสวาระนาวิปากัปัจจัยกับมรคปัจจัยมี9้าวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับมรคปัจจัยมีหวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับมรคปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับมรคปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับมรคปัจจัย มีห้าวาระติกไนัย172ดอนาอารามณปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปปัจจัยมีห้าวาระ นัสมานันตระปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9้าวาระ นากรรมมปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสวาระนวิปากับปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนวิปากับปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมี9วาระนสัมยุทธะปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมี5วาระนวิปยุทธะปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสวาระ โนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระโนวิกขาปัจจัยกับมรรคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกนายหนึอยเจ็ิณัติปฏ <spe> ิปัจจัยก <ati> <spe> ับมรรคปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามานปัจจัยมีสวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นป ke ah <im> ัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงรับพึงขยายให้พิจารณาเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลสัมำยุตตทุกนาย หนึ่เจ็ดสเหตุปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสาวาระนปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวณปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับสามประยุติแตปัจจัยมีสามวาระ นวิปาก sey, ità, jer, ับปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสาวาระนชานปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุติแตปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยมีสามวาระติกนัยเจ็ดห้อธิปฏิปัจจัยกับสัมปยุติตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสาวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุทธปัิจัยและเหตุุปัจจัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัิจัยกับสัมปยุทธปัิจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุทธปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสาวาระนกรรมมปัจจัยกับสัมปยุทธปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับสัมปยุทธปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตะปัจจัยกับสัมปยุตตะปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสาวาระในมุงเล็บพึงขยายพิสดานเหมือนวาระที่มีเหตุุปัจจัยเป็นมูลวิปยุตตะทุกกนหนึ่ง้ยเจ็ดสบในเหตุตุปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณอารามานปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระ ณอธิปฏิปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี๕วาระณอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี๕วาระณสมนันตรปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมี๕วาระณัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี๕วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี๕วาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมี๕วาระ นัปปัชชาตัปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยมีก้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยมีก้าวาระนักรรมปัจจัยกับวิปยุตตัดปัจจัยมีสามวาระนวิปากัดปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยมีก้าวาระนัชานัปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขะปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสามปรยุต um ิแตปัจจัยกับวิปปยุติตปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปปยุติตปัจจัยมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับวิปปยุติตปัจจัยมีห้าวาระติกนัยเจ็ดณอารามณปัจจัยกับวิปปยุติแตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระณอธิปติปัจจัยกับวิปปยุติแตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9วาระ ณอนันตรปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณปูเรชาตปัจจัยกับวิปปยุตตาปัจจัยและเหตุุปปัจจัยมีห้าวาระ นปัจฉาชาตัป <t une> <an> ัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากัดปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมยุตตัปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหวาระ โนนัตถิปัจจัยกับวิปปยุตตะปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยกับวิปปยุตตะปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระจตุกไนหนึ่งรยเจ็ดิบแณอธิปติปัจจัยกับวิปปยุตตะปัจจัยเหตุุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระ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 กับวิปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอาเสวะณปัจจัยกับละมีสามวาระณกัมมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละทวาทศกนัย180 นปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยอนันตรัปัจใจสมานันตรัพปัจใจธะชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปากัปัจจัยกับละมีสามวาระเตวิสกนัยหนึ่งร้อยแปดสิบเ181นปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตแตปัจจัยเหตุุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากับปัจจัยกับ ละมีสามวาระจุตส ก, กนัยในมุเลปสวิปากะ182่ป18นัปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตัปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรร ม, มปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเตวีส ก, กนัย หนึ่ปณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัติทุกขไนหนึ่งยแปดส นัเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสองวาระนัอารามณปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระนัอธิปฏิปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัอนันตรปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระนัสมานันตรปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระนัอัญญมัญญาปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระนัอุปนิสตยปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระ นัปุเรชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอธิปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับ อธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยกับอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปยุติจตปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุติจตปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสาวาระโนนัตถิปัจจัยกับอธิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกขตปัจจัยกับอธิปัจัยมีห้าวาระ ติกกนหยแปดสณอารามณปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปฏิปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอธิปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรัปัจจัยกับอธิปัจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ นกรรมปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอัติปัจัยและเหตุุปัจจัยมี9้าวาระนสามปัยยุตตาปัจจัยกับอัติปัจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปัยยุตตาปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับอัติปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีหวาระ โนวิกตาปัจจัยก ah ับอธิปัจจ mm ัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระจตุกไนหนึงร้อยแปดสิบกณอธิปฏิปัจจัยกับอธิปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจัยกับละมีสามวาระณอาเสวณปัจัยกับละมีสามวาระ นกกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปลาปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลนติวิกตะทุกข์ไนหนึ่งยแปดสเจนเหตุปัจจัยกับนติปัจจัยละวิกตะปัจจัยมีสองวาระ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 วิกตปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีอารามณะปัจจัยเป็นมูลอวิคตตทุกกไนนึร้อยแปนเหตุปัจจัยกับอวิคตตปัจจัยมีสองวาระ นอารามณปัจจ an ัยกับอวิค <Tier min liberties> ัตปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีเ้าวาระนอนันตรปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสิยปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีห้าวาระ นัปุเรชาตปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีเจวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีสาวาระนวิปากปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับอวิคชตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทรียปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีหวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีสาวาระโนนติปัจจัยกับอวิคัตปัจจัยมีหวาระ นวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยมีห้าวาระติกไนัย189ณอารมณปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปฏิปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมี9้าวาระณอนันตรปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นสมนานตระปัจจัยกับอวิคตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับอวิคตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับอวิคตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอวิคตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับอวิชชตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับอวิชชตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับอวิชชตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอวิชชตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับอวิชชตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นวิปยุตจัปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับอวิคตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุุปัจจัยเป็นมูลการนับจํานวนปัจจัยในอนุโลมปัจจนีย up.